บทที่สิบแปดปัญหาทางศาสนารู้ไหมสิ่งที่เขาเคยบอกเราเกี่ยวกับสวรรค์และนรกนั่นมันผิดทั้งหมดดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอใช่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับว่าทําดีจะได้ไปอยู่ชั้นบนและถ้าทําไม่ดีก็จะต้องลงไปอยู่ข้างล่างพวกเขาเข้าใจผิดหมดที่นี่เราเป็นเหมือนอย่างที่เราเป็น เพียงแต่ดีกว่ามีความสุขทีเดียวความคิดของอาร์ i พลีเชตที่มีต่อศาสนาเป็นตัวอย่างหนึง่งและเสียงส่วนใหญ่ก็บอกเราว่าเราเข้าใจผิดลองมาฟังเสียงของผู้ที่มีการศึกษาดูบ้างนั่นคือเสียงของไมเคิลเฟียรอนอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยกับตันนอร์โฟที่หนึ่งเขาถูกสังหารสามสัปดาห์ก่อนวันดีเดย์ศาสนานั่นเหรอ เขาบอกอย่างพร่ำสอนความคิดเหลวไหลเกี่ยวกับสวรรค์และนรกถ้าคุณดีตามคำสอนก็ได้ไปสวรรค์ถ้าคุณไม่ทำตามความเชื่อที่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณจะลงนรกผิ่จริงเมื่อเราวิเคราะห์จุดนั้นอย่างจริงจังจะพบว่ามันไม่ใช่เลยแม่ของไมเคิลคือนางเอซีเซียรอน ซึ่งเคยอยู่กับบูตในตอนเข้าทรงปีหนึ่งพัน้า้อยห้าสิบสี่ได้มาร่วมวงสนทนาครั้งสุดท้ายที่แม่อยู่ที่นั่นลูกบอกว่าเพื่อเห็นแก่สวรรค์จะหาใครมาก็เถอะอย่าเอาพระวิชามาลูกหมายความอย่างนั้นจริงๆเหรอผมไม่อยากให้คนคิดว่าตัวเองเหลวไหลเสียรอนต่อแต่ผมกลัวว่าผมจะไม่มีเวลาให้ศาสนามากนะักหรือจะมีเวลาให้แก่ใครมากมายเพราะจิตใจของพวกเขา ทั้งคับแคบเสียจนรับอะไรที่อยู่นอกเหนือจุดที่ตัวเองเชื่อไม่ได้อีกแล้วพวกเขาคิดว่าตัวเองมีความรู้ทั้งมวลแล้วพวกกบในกลาพวกเขาคิดว่าสิ่งที่สอนกันอยู่คือสิ่งที่พวกเขาต้องรู้ทุกอย่างพวกเขาไม่สามารถยอมรับอะไรที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำสอนนั้นแม้กระนั้นถึงแม้พวกเขาจะยอมรับทุกอย่างที่ตนอ่านเจอก็มีน้อยคนนักที่จะจริงใจที่จะทา งั้นพวกเขาก็ไม่ได้ตีความในพระคัมภีร์อย่างถูกต้องนะสิใช่ไหมล่ะนางเตียลอนถามนั่นคือว่าคำสอนเห็นได้ชัดว่ามีความจริงอยู่มากมายมีความดีมีประโยชน์มากมายอยู่ในนั้นผมหมายถึงคาสอนที่เราสามารถทำตามที่พระองค์ตั้งไว้คนคนนั้นไม่สามารถทำผิดได้ในโลกแห่งวัตถุผลที่ตามมาก็คือรูปละและจิตวิ ญ, ญญาณของเขาในโลกหน้าจะยิ่งใหญ่ แต่ที่เห็นในทุกวันนี้ก็คือพวกเขามองในมุมแคบพยายามให้ความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนวุ่นวายพวกเขาพยายามตีความคำสอนกันมานานนับศตวรรษตีความกันเสียจนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเลยลูกรู้ได้อย่างไรล่ะนางเซียลอนถามว่ามันยุ่งเหยิงเช่นนั้นทุกคนสามารถค้นพบพระเจ้าในตัวเองถ้าเขาได้อ่าน หนังสือของเขาและใช้ปัญญาความฉลาดเราสามารถค้นพบความจริงภายในได้แต่เขาต้องเรียนรู้ที่จะพลิกเคราะสิ่งต่างๆที่มีเสริมเข้าไปว่าเป็นอย่างไรบ่อยครั้งที่คนในศาสนาจักรหรือพวกผู้สอนศาสนานั่นแหละที่คอยแต่งเติมคำสอนต้องดำเนินไปตามวิถีของศาสนาถ้าคุณยอมรับและเชื่อว่าศาสนาทาให้คุณเชื่องั้น คุณก็สบายดีเวลาที่มาถึงที่นี่เชื่อผมเถอะว่ามีเรื่องเล้วไรลมากมายเพราะคนจานวนมากเชื่อความคิดแคบๆของชีวิตและศาสนาเขาพบว่ามันช่างลำบากเหลือเกินในการพัฒนาตัวเองเมื่อเขามาอยู่ที่นี่ที่จริงพวกเขากำลังถูกขัดขวางด้วยกระบวนการของตัวเองบางคนมาที่นี่ด้วยเชื่อว่าพวกเขาถูกพระเจ้าเลือกมาจริงๆ เขาคือคนที่ถูกเลือกสรรก็เลยยังมาอยู่ที่นี่ในบรรยากาศที่เชื่อว่าเขาเป็นคนที่จะมาอยู่ที่นี่ต่อไปในพนี้เขามีมุมมองที่แคบมากที่คิดว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มเดียวที่มีชีวิตหลังความตายอย่างที่พวกเขาให้คำจำกัดความและพวกเขากาลังรอกลับมาสู่โลกแห่งสรีระโลกวัตถุรอการกลับคืนเข้าร่างไมมมันเกิดอะไรขึ้นบูรถาม คนที่นี่มีแนวโน้มจะเชื่อถือในหลักเกณฑ์อันไร้ข้อพิสูจน์เมื่อพวกเขาจากไปสู่พบนั้นในระยะแรกๆหลังจากตายไปไม่กี่นาทีเฟียรอนถามไม่มีความแตกต่างจากชีวิตที่เขาเคยเป็นเมื่อห้านาทีก่อนนั่นหมายถึงรูปร่างหน้าตาบุคลิกลักษณะท่าทางของเขาถ้าเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนายอย่างมากยึดมั่นถือมั่นความคิดนั้นก็จะยังฝังแน่นอยู่กับเขาตอนที่มาที่นี่ แต่เขาจะเริ่มรับทราบแล้วว่าตัวเองเหมือนปลาถูกปล่อยลงน้ำความคิดเก่าๆคาสอนเก่าๆและความเชื่อเก่าๆใช้ไม่ได้ในสถานที่แห่งนี้สิ่งแรกที่เขาจะตระหนักก็คือทุกอย่างที่นี่คือความเป็นปกติธรรมดาทุกสิ่งเป็นธรรมชาติคนที่นี่เหมือนกับคนบนโลกแต่ปราศจากความหนาแน่นของวัตถุวิสัย เขาเริ่มรู้ว่าความคิดความเชื่อกเก่าๆเกี่ยวกับสวรรค์และพระเจ้าของเขานั้นเป็นเพียงแค่แนวคิดเขาเริ่มรู้ว่าชีวิตที่นี่เป็นความปกติตามธรรมชาติและเขาเองก็ยังเป็นอย่างที่เคยเป็นแต่เขาจะเรียนรู้ได้เร็วเขาพบว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามความเชื่อในบรรยากาศที่เขาคิดว่าเป็นสวรรค์เขาต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เขาเจอเองอยู่ดี เฟียรอนพูดเกินจริงไปหรือเปล่า9ปีต่อมามีเสียงหนึ่งดังขึ้นเขาอ้างว่าตนเป็นผู้บรรยายเหมือนอย่างเฟียรอนผมชื่อบริกเขาบอกผมมาอยู่ที่นี่หลายปีแล้วตอนอยู่บนภพของคุณผมเป็นสมาชิกของคริสตัลเดลเฟียนเขาหมายถึงองค์กรอเมริกันที่เชื่อว่าตนเองจะฟื้นจากความตายกลับมาสู่โลกเมื่อพระเจ้าช่วยโลกให้มีเยรูซาเลม็ม ในวิถีทางแคบๆของผมตอนอยู่พบคุณเขาพูดต่อผมเชื่อมั่นจริงๆว่ามีแต่ผู้ที่ยอมรับและเชื่ออย่างผมจึงจะได้รับการสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าผมรู้ว่ามันผิดทุกคนได้สืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติเมื่อคนคนหนึ่งตายชีวิตของเขาจะได้รับสืบทอดอาณาบริเวณแห่งวิญญาณซึ่งอยู่โดยรอบบนโลกของคุณเราหลีกหนีมันไม่ได้ ไม่มีใครจากไปได้และคนสื่บทอดจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมีเป้าหมายของตนและถ้าขาดเป้าหมายอันจะนำพาพวกเขาไปสู่จุดจุดหนึ่งพวกเขาจะลงไปสู่ชั้นที่ต่ากว่าหรือมีสถานะที่ด้อยกว่าผู้อีกอย่างก็คือคนได้รับในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นในชีวิตของตนรูปร่างหน้าตาวิถีชีวิตศาสนาเองช่วยคนไม่ได้ศาสนาไม่สามารถทาให้คนเป็นคนดีได้ นี่คือสิ่งที่จะมาถึงเมื่อคนตระหนักว่าตนอยู่ในสภาวะของตนในสภาพจิตวิญญาณเขาเล่าเรื่องที่เขามาถึงสวรรค์ต่อไปใจของผมใกล้ชิดความจริงตอนแรกที่มาที่นี่ผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่พอใจและมีความสุขมากผมอยู่ในสวรรค์แต่มารู้ตอนนี้ว่าผมกำลังอยู่ในวิมานของคนโง่สภาพชีวิตเต็มไปด้วยผู้คนที่มีจิตใจเหมือนผมคนที่เชื่อยอย่างที่ผมเชื่อ ยอมรับอย่างที่ผมยอมรับสิ่งที่ผมคิดคือความจริงโดยสมบูรณ์เรายินดีกับการพบปะร่วมสันทนาการร่วมสวด ร, ร้องเพลงสวดและเราพูดกันถึงเวลาที่เราน่าจะถูกนำกลับมาสู่โลกใบนี้เพื่อมีชีวิตอย่างที่เราเคยได้รับฟังมาและเราจะกลับมาสู่ร่างกายของเรากลายเป็นชาวโลกแห่งสวรรค์บนดินการเรียนรู้ชีวิตของเขาเริ่มต้นอย่างช้าๆ มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตจริงๆแล้วไม่ง่ายแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นจากนั้นจึงตระหนักว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในชุมชนเดียวกับเขาหรืออยู่ในแวดวงเดียวกับเขาต่างก็ได้มาอยู่ในสวรรค์ชั้นเดียวกับเขาเองเช่นกันพวกนั้นเริ่มพูดคุยกับเขาหนึ่งในนั้นคือชายชื่อเบอร์นาร์ดพาเขาเดินไปไกลและบอกเขาว่าเขาเคยเป็นนักบวชโรมันคทอลิก บริสสะดุ้งแคทอลิกกับวิญญาณเขาถูกสอนว่าคนพวกนี้มีความสำคัญทัดเทียมกันอย่าห่วงเลยเบอร์ n a r บอกเขาทั้งคู่มีความคิดเห็นรุนแรงแล้วก็เป็นความคิดที่ผิดทั้งคู่การเดินทางของพวกเขาผ่านชุมชนต่างๆมากมายมีผู้คนแต่งตัวในเสื้อผ้าเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วแล้วก็มาหยุดอยู่ที่เมืองอัน ง, งดงามทุกคนไม่ยึดติด ก, กับอะไรและมีความรัก และที่นี่เขาบอกผมพบกับความสงบสุขรู้สึกว่าผมอยากมอบความสงบนี้ให้กับคนบนโลกผมอยากบอกทุกคนว่าไม่มีเครื่องอะไรที่กีดขวางจากคนที่จิตใจของเขาปราศจากพ่อผูกมัดจิตใจที่ไม่ยึดติด ก, กับอะไรเขามีอิสระที่จะคิดเพื่อตัวเองการเรียนรู้บทเรียนใหม่ของเขาจบลงอย่างบริบูรณ์ ถ้าเซียรอนกับบริกพูดถูกแล้วปีชอปกับผู้นำศาสนาคนอื่นๆผิดหรือถ้าพวกเขาผิดพวกเขาจะรับรู้ถึงความผิดพลาดในวิถีทางของตนหรือเปล่าในตอนที่มาถึงสวรรค์พวกเขาจะได้พบเรื่องราวต่างๆที่พวกเขาคิดว่าไม่เคยมีหนึ่งในผู้สื่อสารหัวแข็งคือเสียงที่อ้างว่าเป็นคอสโมแลงอบชอปแห่งเคนทเบรีในทศวรรษที่30 เขาเป็นตัวตั้งตัวตีค้านหัวชนฝาที่กษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่8ตัดสินพระไทยอภิเศกสมรสแก่หญิงไม้วอลลิสซิมสันจนพระองค์จะต้องสละราชสมบัติอย่างเลี่ยงไม่ได้ในปี1959เบ็ตตี้กรีนนั่งตัวตรงตั้งคำถามตามปกติมีปฏิกิริยายอย่างไรตอนเขาเสียชีวิตฉันแปลกใจมากเขากล่าว ฉันคิดว่าในสำนึกหนึ่งฉันมีความเชื่อทางศาสนาฉันรู้เรื่องต่างๆซึ่งคิดว่าความจริงไม่สำคัญไม่จำเป็นบัดนี้ฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ต่างๆที่ฉันเคยเชื่อมานั้นไม่เป็นความจริงเลยกว่าหลายศตวตรรษคนมีแนวโน้มเชื่อความจริงอันคุมเคลือเชื่อว่านี่คือสารที่แท้ซึ่งพระเจ้ามอบให้แก่โลกหลักเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน ฉันได้รู้เมื่อมาถึงที่นี่มันไม่สำคัญเลยมันไม่คงอยู่อีกต่อไปหลังจากคนเราตายไปเราไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นเสียงซึ่งประกาศตัวในปี1960ว่าเป็นดีนอิงแห่งเซนต์ฟอลนักธรรมปริยนชื่อดังแห่งทศวรรษที่30เขาได้เรียนรู้บทเรียนแบบเดียวกันสิ่งต่างๆที่ฉันเคยค่ำสอน เขาสารภาพเรื่องมากมายที่ฉันมอบให้ดุดความจริงและฉันเชื่อมาตลอดว่ามันเป็นความจริงเรื่องเหล่านี้ยึดฉันเอาไว้และยังฝังแน่นเมื่อใครคนหนึ่งจากโลกของคุณมาด้วยความคิดฝังหัวที่กล้าแก่งมั่นคงและปรับตัวของเขาในพบนี้ได้ลําบากมากเขาไม่ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆเหมือนฉันนี่แหละและเขาต้องกลายเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งต้องทําใจให้เปิดกว้าง ต้องการแค่ความจริงอะไรคือความจริงลัทธิศาสนาอยู่รอดในโลกหน้าหรือไม่นานแค่ไหนเพื่อจะใช้ความรู้ที่เราเรียนมาในคำพีศาสนาให้แตกฉานในพบของคุณมีศาสนาไหมบูดถามเมื่ออลิซาเบธฟลายมาถึงในปี1962ในชั้นบรรยากาศที่ใกล้เคียงโลกมนุษย์เธอตอบคุณจะพบว่ามีศาสนามากมายนิกาย พร้อมหลักคําสอนอย่างที่เคยมีมาเวลาที่อยู่บนโลกพวกเขามีความสุขอยู่กับความเชื่อของตนเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะของการไม่ใส่ใจการไม่ใส่ใจนี้คือความสุขสำราญแต่ในที่สุดจะถึงเวลาของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่จะกระหายในความรู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าต้องการรู้มากขึ้นนี่คือการยกระดับเสียงของผู้นับถือศาสนาบอกเราว่า สาขาต่างๆของศาสนาจะทำให้เกิดการเรียนรู้ในความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งนั่นก็ให้เกิดความขัดแยง้งที่แท้แล้วศาสนาต่างๆไม่ได้ให้ความจริงอะไรนอกจากจะให้ความเชื่อเหมือนศาสนาอื่นๆบนโลกหรือหรือจะเป็นความจริงแห่งจั ก, กรวาลเราได้รับคำตอบจากเสียงซึ่งอ้างว่าเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านหนึ่งแห่งศตวตรรษที่ยี่สิ เขาเป็นคนที่นับถือศาสนาโดยบังเอิญแต่เขาได้รับการศึกษาจากศาสนาอื่นและคนจากนิกายอื่นอื่นอีกมากมายนั่นคือมหาตามะคานทีในทุกองค์กรศาสนาอย่างที่พวกคุณให้คำจำกัดความเขากล่าวก็มีอยู่ที่นี่มีวิญญาณที่ดีมีใจจริงซื่อแต่โชคไม่ดีที่หลายคนทำได้เพียงรับความจริงจากความเชื่อที่ขับแคบ นั่นทำให้แต่ละคนเกิดข้อจำกัดพวกเขายอมรับแต่สิ่งซึ่งมีคนยอมรับและเชื่อถือกันมาเป็นเวลานานสิ่งที่พวกเขารู้ก็คือสิ่งที่เปิดเผยให้พวกเขารู้เพียงเท่านั้นพวกเขาไม่ตระหนักเลยว่าตลอดเวลายังมีผู้เผยแผ่มีศาสดาที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายศาสนาคือบางสิ่งที่ถูกมอบให้เพื่อจุดประสงค์หนึ่งอย่างเช่นเพื่อสันติภาพ บทเรียนแรกที่เราจะต้องเรียนคือเราต้องเลิกคิดถึงแต่ตัวเองจนลืมไปเสียว่ามีเราแล้วมอบความรักให้แก่ทุกคนมอบจากภายในตัวคุณและมันจะกลับมาหาคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้าศาสดาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้เคยกล่าวไว้ทั้งนั้นนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ควรจะลืมละความเป็นตัวตนของตนในทางกลับกัน เขาจะได้พบตัวตนที่แท้จริงกฎแรกก็คือจงรักเพื่อนบ้านของเขามากกว่ารักตัวเองและทําในสิ่ง น, นี้เมื่อคุณยังมีชีวิตอยู่บนโลกสุดท้ายหลังจากไม่กี่ปีบนสวรรค์ดูเหมือนคอสโมแลนด์อาร์บิชอบปแห่งเคนทเบอรีจะพูดภาษาคล้ายๆกับคารทีแห่งผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูอยู่นี้และก็ไม่ต่างไปจากโรส เด็กขายดอกไม้หน้าสถานีรถไฟที่ไม่มีใครเคยใส่ใจพระเจ้าเขากล่าวผูกพันกับมนุษยชาติสอนให้พวกเขาค้นพบความรักที่แท้จริงและทุ่มเทให้มันถ้าจําเป็นหนทางกลับสู่พระบิดาหรือพระเจ้านั้นฉันคือหนทางความจริงและชีวิตไม่มีมนุษย์ใดมาถึงพระบิดาได้โดยไม่มีฉัน นี่เป็นการตีความที่ผิดพลาดมานับศตวรรษและเป็นการวางรากฐานให้เกิดกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์ความผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการตีความที่ผิดฉันคือหนทางความจริงและชีวิตพระองค์หมายถึงอะไรเห็นได้ชัดว่าพระองค์หมายถึงการดำเนินตามรอยเท้าของพระองค์พูดอีกอย่างก็คือจงทาตามพระองค์ รับรู้ถึงพลังของจิตวิญญาณและความรักที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์รู้จักมอบความรักในการพัฒนาและคิดถึงสิ่งต่างๆจากเรื่องของวิญญาณในที่สุดก็จะได้คําตอบในภายหลังว่านี่คือคนณทางแห่งสัจจะและชีวิตไม่มีมนุษย์คนใดมาถึงพระบิดาได้โดยไม่มีชั้นพูดอีกอย่างก็คือในความเป็นฉั้นทาตามชั้น ทำตามสิ่งที่ฉันทำมาณนะบากบั่นให้เท่าฉันนั่นคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากอุบายพระเยซูไม่เคยมีความผูกพันกับวัตถุพระองค์ร่วงรู้ว่ารูปวิญญาณของมนุษย์วัตถุนั้นไม่มีผลย้อนหลังใดๆเมื่อพระองค์มอบชีวิตพระองค์ทรงยินยอมเพราะนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้คนเชื่อ และนำมาซึ่งการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุบนโลกใบนี้บันดาลให้เกิดผลกรรมภายหลังน้อยมากเรื่องของจิตใจวิญญาณต่างหากที่จะนำมาซึ่งข้อยุติและอย่างที่รู้พระองค์กลับมาหลังความตายทำให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมัน่นแม้ฉันเชื่อว่าพระองค์ไม่ได้กลับมาเพื่อก่อตั้งศาสนาอย่างที่คนบนโลกนี้ให้คาจากัดความหรือเข้าใจมัน ถ้าพระองค์ไม่ได้กลับมาจากความตายก็จะไม่มีศรัทธาเกิดขึ้นในชุมชนชาวคริสต์แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ฉันเห็นและรับรู้ในตอนนี้ฉันมั่นใจตัวปัญญาและการเห็นแจ้งและเหตุผลอันแน่นอนกว่าเดิมรวมทั้งมั่นใจด้วยว่าเป้าประสงค์แห่งชีวิตของพระเยซูและฉันเชื่อว่าเมื่อเราพยายามถามพระองค์โดยไม่คานึงว่าเราจะมีาศาสนาหรือไม่ เราสามารถลืมและละหลักเกณฑ์อันไร้ข้อพิสูจน์ได้ความเชื่อที่งมงายและทำให้ตัวเองกลายเป็นคนธรรมดามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเราจะเข้าใกล้พระบิดาที่มากขึ้นพระผู้สร้างของเราเราจะดาเนินตามพระองค์พาเราไปสู่อ้อมแขนแห่งพระองค์และได้ตระหนักถึงความรักและการหลุดพ้นทั้งพวงอาร์ิชอปชาวอังกฤษ ผู้นำศาสนาฮินดูและอดีตเด็กขายดอกไม้ดูเหมือนจะพูดภาษาเดียวกันกับที่ทุกคนเข้าใจและพวกเขาได้สัมผัสศรัทธาที่พวกเราทุกคนมีร่วมกันแบ่งปันกันได้ถ้าเสียงที่อ้าง น, นั้นเป็นของแรงจริงๆความเชื่อของพวกออรโธดอกก็จะหมดข้อสงสัยมีหลักการรองรับข้อโต้แย้งทั้งหลายจะหมดสิ้นลงแต่เราจะมั่นใจได้หรือ